5.13 าคาถาทำให้รวยวงเล็บเปิดหนึ่งมีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหวงเล็บปิดตอนแรกๆ ก, ก็มีคนมาขอเครื่องรางของคลังเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่มีให้ตอนนั้นบวชไม่นานนะอยู่เมืองการมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในวัดหิ้วปิ่นโตมาด้วยเอาปิ่นโตมาถวายถวายเราก็ฉันให้เสร็จแล้วก็บอกว่าจะมาขอของดีโอ๊ยของดีเหรอของดีต้องปฏิบัติต้องลงมือทาเอา โอ้ไม่เอาไม่เอาอยากได้ของวิเศษนะ่ะของขลังมีพระเครื่องไหมบอกไม่มีไม่ได้สร้างไปไปมานะแกหันไปหันมาขอเอากันไกตัดจีวรท่านไปหน่อยได้ไหมเนี่ยมันจะเอาให้ได้นะบอกเฮ้ออย่ามาตัดนะเรามีผ้าอยู่ผืนเดียวตอนนั้นบวชใหม่ๆนะมาตัดของเราแล้วจะเอะไรใช้หะ่ะบอกอย่างนั้นมีคาถาไหมนี่วัตถุไม่ได้แล้วขอคาถาที่ทาให้รวยบอกว่าอ้ออยากได้คาถารวยมี ท่องไว้นะในวงเล็บเตรียมท่องใหญ่นะข้อที่หนึ่งอุตฐานะสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรออุ้ยอย่างนี้ไม่เอาบอกเฮ้ยคาถานี่แหละของจริงคาถาของพระพุทธเจ้านะอุตฐานะสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารั้งรอรีบทํากินไวๆพอได้มาแล้วก็ต้องรู้จัก ร, รักษาเอาไว้ใช่ไหมอารักษะสัมปทาอย่าให้ทรัพย์นั้นวอดวาย กาลยานามิตรตาการครบมิตรสหายคบเพื่อนดีก็จะสบายคบเพื่อนร้ายก็จะวอดวายตรอมตรมแล้วก็สมชีวิตตาดํารงชีวิตที่พอเหมาะพอสมทําได้สี่อย่างนี้รวยอุย้อยยายคนนี้ร้องจากเลยไม่เอาคาถานี้อยากได้แบบท่องๆ่อแล้วรวยบอกไม่มีคาถาอย่างนั้นไม่มีบอกโอ๊ยพระวัดนี้ไม่ขลังไปเลยนะขออะไรก็ไม่ให้สักอย่าง ขอพระเครื่องก็ไม่มีขอเหรียญก็ไม่ให้ขอตัดจีวรก็ไม่ยอมขอคาถาให้คาถาอะไรก็ไม่รู้ที่มันต้องลำบากอยากได้อะไรที่มันสบายอยากได้ของสบายไม่มีจริงหรอกนะทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทำเอาอยากเป็นคนดีก็ต้องทำเอาอยากไปลงนรกก็ต้องทำเอาต้องทำเอาเองทั้งสิ้นเลยไม่มีหรอกที่ได้ลอยลฟรีๆนะ่ะชาวพุทธต้องไม่เชื่ออะไรที่งมงายแต่เชื่อเหตุเชื่อผล เชื่อกรรมเชื่อการกระทําของเราทําแล้วต้องมีผลอย่างนี้ฉะนั้นเราลงมือทําสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีๆเราทําความดีบางคนก็เจ้าทิฐินะทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเอาอะไรมาวัดบอกทําชั่วแล้วรวยเนี่ยสับสนระหว่างรวยกับดีแล้วทําดีมันดีต่างหากทําดีไม่ได้บอกว่ารวยอยากรวยก็ต้องไปทําอะไรที่ได้เงินมาคนละเรื่องกัน ทำดีแล้วมันดีดีแล้วอย่างไรดีแล้วมีความสุขทําไปแล้วจิตใจเรามีความสุขความสงบฉะนั้นเราก็ต้องสู้นะต้นทางอย่างนี้ปลายทางจะเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลฉะนั้นเราหัดจเจริญสติไปแล้ววันหนึ่งจิตใจเราจะห่างออกจากโลก